หลับตายยังเห็นภาพเธออยู่ในนั้นหลับตายยังเห็นภาพเธออยู่ในฝันพยายามลืมเลือนเธอเท่าไรไม่รู้เพราะอะไรไม่รู้ทำไมทิงลืมเธอไม่ได้สักที I wanna love you ในอีกที Love you แต่วันนี้เธอกลับหายสัญญานั้นเลยเสื่อมคลายฉันไมชืมนในไฟเท่เทาว่าสักวันเธอจะกลัมบมาของใ กับฉันเป็นภาพติดตาที่คงอยู่อย่างนั้นจะให้มันเธอไปมันคงไม่ง่ายเลยจะทำยังไงดีหลับตาตัวเราไม่เคยว่ำำาแค่มันทํยเลยังอยู่ที่ฉันทำติดไปมากมายแต่ว่าเจอจริงๆแนะน่นไอนให้ดันลายเธอคงไม่เชื่อกันผู้ที่บอกไป แต่คำพูดที่บอกนั้นมันมีหล่อใจ